ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใตรมพระโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องพยามานแล้วก็มาถึงเศนามา ن พอดีเพราะว่าตามปกติแล้วเศนามา ن เราไม่เคยเออมาพูดกันคือมันอยู่ในพวกพวกนิเทศนะพวกขุตกรณิกายพวกนิเทศมหาวิยาสุตสุตะนิเทศ เป็นการให้รายละเอียดปูนิเทศจนในเทศมหานิเทศปฏิสัมพิธามักพวกนี้จะให้รายละเอียดเดยอะใกล้ๆกับพิธรมแต่เราลองสังเกตว่าที่เราพูดมาทั้งหมดมาถึงข้อที่หกคือความขาดเนี่ยความขาดที่จริงเป็นธรรมชาติของมนุษย์พระพุทธเจ้าเองก็เคยขาดนะอย่างที่เราเล่ามาในตอนที่ว่าด้วยสแสวงหาไปะสัมมาสัมโพ ธ, ธิญาณเนี่ย พ ร, ระองค์รับสั่งเล่าวพระองค์ก็ขาดก็กลัวมีอาการขนพลองสยองกล้าวม่ขนลุกมีความกลัวแต่ว่าจะทํำยังไงมันไม่มีใครที่จะช่วยปลุกปลอบใจตอนนั้นบรรดาวิคีก็หนีไปหมดแล้วเพรา่างการช่วยเหลือตัวเองก็คือว่าเมื่อยืนกลัวก็ยืนได้หายกลัวสิดูสิมันมีอะไรจะเกิดเกิดนอนกลัวก็นอนจนหายกลัวเลยไม่งั้นไม่ยอมลุกเลยข้าวปลาไม่ตรงกินมาหรอก จากกลัวดีนักเวลานั่งกลัวก็นั่งจนหายกลัวเลยเดินกลัวก็เดินไปจนหายกลัวเพราะกลัวเกิดขึ้นในอริยาบทใดก็อยู่ในอิริยาบทนั้นจนกว่าจะหายกลัวแล้วก็มีสติสมัมปชัญญะสอดส่องมองสิ่งท่างหลายโดยเฉพาะอ ย, าย อ, ยาอย่างยิ่งก็คือว่าการคิดจะมีเหตุมีผลคนเราชีวิตมันก็แค่ตายแต่ น, นั่นเอง และบางครั้งเนี่ยก็มีการข่มขู่คุกคามจะฆ่าจะอะไรก็พูดเป็นเล่นไปไม่ฆ่าเราไม่ตายได้ยังไงเพาก็ตายอยู่แล้วว่ะคื อ, อยังนึกชอบใจวันก่อนขวังท่านอธ่ผดีกรมป่าไม้เขาพูดโจพิธีกรเขาพูดว่ากานออกอากาศวันนี้เนะฮะคงจะมะีคนรักเพิ่มขึ้นหรือคนเกลียดเพิ่มขึ้นนะฮะ เขก็พูดดีนะฮะก็บอกมีเรื่องน่าเกลียดตั้งเยอะทําไมมาเกลียดผมทําไมเจ็ดแมงสาบเช่นหนูเช่นงูเช่นอะไรแตไรเนี่ยมีเรื่องน่าเกลียดเยอะทาไมมาเกลียดคนทํางานทําไมอันนี้คือแปลกนะฮะเราจะเห็นว่ามันเป็นแรงลิศเสยาคนดีอยู่ไม่ได้คนได้ก็ไม่ดีนะฮะต้นมือไม่เป็นอย่างเนี้ยใครดีใครเด่นใครดังขึ้นมาไม่ได้ ต้องริดสยาต้องริดร้อนต้องคอยขัดขวางต้องทำลายเขาแล้วก็ขาดพุญที่ภาวะแม้แต่ระดับของการบ้านการเมืองเราลองทั้งเกณฑไว้เนี่ยด่ากันเรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่ออะไรด่ากันอย่งน้น่คื อ, อยังวันก่อนไปบรรยายเรื่องให้ครูสอนจริญศึกษาเขาขวาง บอกว่าไอตัวอัตตานิยตาเนี่ยสําคัญว่ารู้จักสถานะตัวเองรู้จักตัวเองมีตัวเองเป็นใครมีสถานะมีหน้าที่มีอำนาจมีกรอบขอบข่ายรับผิดชอบอเปงนไงมันจะต้องเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นเรายกตัวอย่างว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยหัวหน้าครอบครัวนี้จริงมันอาจจะเริ่มจากสามีกับภรรยาในบ้านอาจจะไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วยก็ได้ แต่เมื่อมีลูกนี่ใจมันต้องแผ่ไปถึงโลกแล้วนึกถึงเฉพาะส่วนตัวสามีกับพันดาไม่ได้ระหว่างสามีกับพันดากันนั้นก็ต้องใจเขาใจเราคือดูแลกันมาถึงลูกมันก็แผ่ไปถึงโลกมีคนใช้มันก็ต้องแผ่ไปถึงคนใช้ใจมันต้องแผ่ตามกรอบงานที่เราต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนเพราะคนนีทนทําใจยากกว่าเพื่อน อย่างอื่นไม่น่าคดคานกลัวเราตังเกตด น, นะคนนี่เราจะทําใจยากคล้ายๆกับเสียงคนเนี่ยเราจะสงบใจยากเสียงเครื่องบินเสียงอะไรต่ออะรประเดี๋ยวเราก็หายเพราะเป็นเสียงเครื่องยอนต์กลไกเฉยๆแต่คนเนี่ยไม่ได้คนนี่เอารักเอาชังเข้าไปพนวกไว้ทุกทีพราะฉะนั้ถ้าเรามองท่าชีของคนของสัตว์ของสิ่งทั้งหลายโดยเหตุด้วยผลแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะบรรเทาความขาดความกลัวต่างๆลงไปได้เยอะกลัวก็จะดีจะเด่นอา้าวไม่กลัวอะไรก็ดีในบ้านเมืองจะมีคนดีคนเด่นเกิดขึ้นเยอะกลัวว่าเขาจะก้าวหน้ากว่าเราเอาก็ดีนะคือมองในแง่ดีอ่ะคือได้ช่วยกันทํางานในบ้านในเมืองนี่ยให้ทําให้แก่ชาติบ้านเมืองทําให้แก่ศาสนา ใจใจมันก็แผ่ไปเรื่อยๆอย่าสมมติเราเป็นสมผานเจ้าวัดเนี่ยคือตำแหน่งสมผานเนี่ยค่อนข้างน่าห่วงเพราะอะไรเพราะว่าความคิดมันเป็นคารวาดเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วโดยไม่ได้สังเกตนะเราไม่ได้รู้สึกตัวเราก็เคยเตือนพระที่เพื่อนฝูงกันพอคุยกันได้เนะี่ยบอกลองดูให้ดีนะ พระราชบัญญัติเนี่ยมันกำลังจะทําพระให้เป็นคนในขณะที่พระธรรมวินัยเนี่ยเอาคนลูกร้อยพ่อพันแม่เนี่ยมาทําให้เป็นพระแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันให้คุณให้โทษชัดเจนส่วนความเป็นพระเช่นว่าต้องอาบัติหรือว่าทําไรบุญได้่ไๆมันไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่ว่าการใช้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเป็นกระแสสังคม วันสังคมมันก็เห็นขุนเน้นโทษจะจะคนจึงให้ความสำคัญแก่กฎหมายแล้วก็มีปัญหาบางอย่างวันก่อนก็เจออาจารย์ท่านเป็นาศาสตราจารย์ก็ไปอบรมมาด้วยกันนะก็นั่งมาในรถ ก, ก็คุยกันท่านก็บประหลตกค็คิดตรงกันท่านบอกว่าผู้เป็นเล่นนะบางทีในประราชิกเมื่อะไร่ยังไม่รู้เลยนั่นคืออะไรคือว่าเงินของวัดเนี่ยคือเงินของวัดนะในแง่พินัยเนี่ยเป็นสมบัติของสูง แต่เวลาเราจ่ายเงินเราจ่ายในฐานะที่เราเป็นสมผานคือเราเป็นนิติบุคคลวัดเป็นนิติบุคคลแล้วก็จ่ายแบบเงินส่วนตัวไอ้เงินส่วนของเราจ่ายเหมือนกับเงินของวัดไม่แปลกใค จ, จ่ายบำรุงวัดก็ไม่แปลกใครถว า, ายเราเราก็จ่ายเราก็ให้วัดบำรุงวัดก็ไม่แปลกเราเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้แต่เงินของวัดเนี่ยต้องชัดเจนนะทุกลําดับขั้นตอนนั้นต้องชัดเจน เห็นมไหมพอมีปัญหาแล้วเราป่อยได้เลยแต่ว่าพอการจะสร้างความรู้สึกว่าพระในวัดเนนในวัดหมูหมากาไก่ในวัดเนี่ยเป็นสัตว์ที่เราต้องรับผิดชอบทั้งดีทั้งไม่ดีนะเราต้รับผิดชอบช่วยสงเคราะห์ช่วยโนเคราะห์ช่วยอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอ้ก็มารีนะดูแลใจใสกันเพราะตรงเนี้ยมันคนอยากเป็นเพราะว่ามันเป็นกิเลสการม แต่ว่ายินดีที่ได้เป็นในขณะเดียวกันก็กระหายอำ น, นาจความยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆเพราะแรงผักดันของตัณหาแล้วก็กลาดกลัวกลัวคนอื่นจะเด่นจะตัดหน้าจะเป็นใหญ่จะเหนือตัวเองแล้วก็ปยกันใหญ่เลยมานก็สั่งการสาให้ซ้ายหันขวาหันกับหลังหันอยู่ตลอดระยะเวลาเลยปัญหาความขาดเนี่ยปัญหาว่าขาดอะไร บางอย่างขาดแล้วก็ดีนะฮะคือบัณฑิตทุก่องสรรเสริญการขาดบางอย่างบัณฑิตยุกจังสรรเสริญการขาดบางอย่างในบัณฑิตก็บัณฑิตก็ทุวงจริงคือในการกระทําบาปเนี่ยพระพุทธเจ้าทัานสอนให้ขาดไว้คือขาดกลัวในการกระทําบาปเห็นไหมว่าไม่ใช่ถ้าขาดแล้วจะไม่ดีเสมอไปคือขาดบางอย่างก็ดีนะเช่นอตุตตปะอย่างเนี้ยที่จริงก็คือขาดแต่ว่าขาดกลัวบาปกลัวอกุศล ทีนี้ถ้าในเรื่องอื่นเนี่ยกลัวอะไรทุกภัยโรคเนี่ยจริงมันเป็นการท้าทายท้าทายศักยภาพท้าทายความสามารถท้าทายปุ่มทมสติปัญญาของเราที่จะต่อสู้กับทุกภัยโรคแต่มันเกิดขึ้นให้ได้แังนั้นในกรณีเหล่านี้ท่านก็สอนให้ขาดเฉพาะที่เป็นความชั่วโทษทุจริตต่างๆ แต่ว่าในการทำความดีนั้นท่านก็สอนให้กล้าพร้อมที่จะกระทำความดีทีนี้เมื่อเราทําความดีเนี่ยคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ไม่ต้องไปใส่ใจถึงคนคือใส่ใจในกรรมคือที่เรารับผิดชอบเรารับผิดชอบกรรมเราไม่ต้องรับผิดชอบความรู้สึกของคนหรอกเราทําดียังไงก็ตามนะฮะมีคนไม่ชอบก็ได้นะ คนขนาดพระพุทธเจ้ายัางมีคนไม่ชอบันนับประสาอะไรกับคนอย่างเราที่คนจะต้องชอบทุกคนแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นดีหรือไม่ดีนั้นคือสิ่งที่วรับผิดชอบในเชิงผลท่านยังกล่าวไว้เป็นคำคมว่านักปราชสนเสริญคนขลาาในการทำความชั่วไม่สนเสริญคนกลา้า แตในขณะเดียวกันก็นักปรฏิสนเสริญคนกล้าที่จะกระทําความดีไม่สนเสริญคนขลาดทําความดีแล้วก็กลัวกลัวจะถูกขาดกลัวจะถูกเบียดเบี้ยนกลัวจะถูกดิ้นทา่ากลัวอะไรนะคือต้องนึกถึงว่าไม่กลัวตายก็จบกับคนเนี่ยตายเมื่อไหร่มันก็คือตายตายเร็วขึ้นนั่นั่ น, นเองเหลนแปลกอะไรตายตรงไหนก็ได้แล้วก็ตายเหมือนกันไม่ใช่แปลกอะไร ศา ส, สดาเรายังกระตายอยู่ที่ป่าเลยพระสู่ก็ที่ป่าศา ส, สราก็ที่ป่าเทศก็ที่ป่าอยู่ก็อยู่ป่าอ น, นิพานก็ในป่ามันไม่จำเป็นหรอกคนเราจะตายเพราะอะไรแต่ว่าเราตายแน่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กลัวตายแล้วอะไรเราจะเราจะทำได้อีกเยเลยในศาสนาพุทธลองสังเกตสอนอย่างเดียวกลัความชั่วเท่านั้นเอง ไม่กลัวอะไรทั้งหมดกลัวแกก็ไม่ต้องกลัวกลัวเจ็บก็ไม่ต้องกลัวกลัวตายก็ไม่ต้องตัวกลัวพลาดพก็ไม่ต้องกลัวมันธรรมดานะฮะมันไม่มีการอยู่ร่วมชั่วนิรันดร์ต้องมีการพลาดพาดสูญเสียเพียงแต่ว่าใครพลาดลาดจากอะไรก่อนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้นะฮะไอความขาดมันก็ไม่มีอิทธิพลแล้วเราก็ใช้มันเป็นคุณ คืออย่าลืมว่ากิเลสเนี่ยมันอยู่ที่เราใช้มันอย่างไงเพราะกิเลสมันคือคือไฟไะในระดับโลกียธรรมเนี่ยในระดับโลกียธรรมนั้นกิเลสเราใช้เป็นคุนได้แล้วก็แม้แต่จากการก้าวไปสู่โลกุตรธรรมเราก็อาศัยกิเลสได้อาศัยตัณหาละตัณหาได้แต่ว่าสร้างตัณหาเนี่ยให้เป็นมัจเป็นทางดําเนินไปสู่ ไปสู่ผลที่เราต้องการแล้วก็ไม่ความเข้มข้นมันมากก็กลายเป็นอะไรเรียกธรรมชาทะเนี่ยความพอใจในธรรมเราจะเห็นว่าที่จริงก็เป็นอาการผลักไสเป็นอาการผลักดนันเป็นอาการขับเคลื่อนจิตเพื่อ น, นำไปสู่ผลที่เราต้องการเ่็เป็นอาการเดียวกันแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราขุมได้ขุมได้มันก็กลายเป็นคุณแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ย สิ่งต่างๆที่มันเกิดเราจะเห็นว่ากิเลสประเภทเนี้ยประเภทกิเลสกามประเภทความยินดีประเภทตันหานะฮะประเภทแม้แต่ขลาดเองเนี่ยกลัวจะจนกลัวจะเดือดร้อนกลัวจะไม่จเจริญก้าวหน้ากลัวจะเรียนไม่ทันเพื่อนกลัวจะไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมเราก็ใช้เป็นแล้วก็เอาด้านหนึ่งขึ้นมาใช้นะกลัวจะไม่ประสบความสำเร็จทำอย่างไงกลัวจะเรียนไม่ทันเพื่อนทำอย่างไง ก็จะยากจนในทำอย่างไรแปลงมาเป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษเนี่ยแปลงมาเป็นคุณเราอาจจะใช้สำนวนสมัยปัจจุบันว่าแปลงหายนะให้เป็นพัฒนามันมีลักษณะข้าวความเสื่อมแต่เราก็นำมาใช้ในเชิงบวกคือเชิงสร้างสรรได้ เ อ, อความลังเลใจนั้นเป็นอาการของความวิจิกตจชาเราจะเห็นว่าเป็นกิเลสประเภทโมหะนะครับคือความกลัวเนี่ที่จริงมันอาจจะเกิดจากโลภะก็ได้โมหะก็ได้ถามว่ากลัวแล้วมันได้อะไรอะเราจะเห็นชัดเจนเลยนะเช่นสมมติเรากลัวตายเนี่ยถ้ากลัวตายแล้วไม่ตายได้ไงก็คือตายเหมือนกันอ้าวตายตายเหมือนกันแล้วกลัวมันทําไม กลัวก็ตายไม่กลัวก็ตา ย, แ ล, ลตายแล้วไม่กลัวไม่ดีกว่าเลยอย่างเนี้ยวันก่อนเนี่ยมีหมอเขาเล่าเรื่องตัวคนคนหนึ่งที่พยายามสู้ชีวิตจนประสบความสําเร็จแต่ว่าตั้งเป้าเอาไว้ออกจะสมบูรณ์มากเกิดไปก็ถือว่าต้องรวยเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นและจะเที่ยวหาความสุขเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นพราะงั้นางานเป็นคนบ้า ง, งานไปเลยจตมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยร่างกายมันเริ่มทรุดเสื่องทุดโสม เพราะว่าเหนื่อยมากเกินไปหมอไปตรวจปรากฏว่าเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายก็ไม่เกินสี่เดือนนี้จะตายแต่ก็หมดบูบลงไปเลยนะแต่ว่าเป็นคนที่เคยเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทําอะไรประสบความสมําเร็จมาแล้วแล้วก็มีคนแนะนําพริกหายนะเป็นพัฒนามไม่ต้องกลัวหรอกตายด้วยมะเร็งตายโดยอะไรมันคือตายด้วยกันนั่นแหละคือเราก็เลือกเวลาตายไม่ได้เลือกสถานที่ตายไม่ได้ เรืโ่โรคเจะตายไม่ได้เรื่องาการจะตายไม่ได้แต่ว่าชีวิตในแต่ละขณะนี้เรารับไดชอบใจจากนั้นแกก็คึกเขมเชื่อมั่นบริหารร่างกายบริหารจิตทีทำงานแล้วก็หาสแสวงหาความสุขตามที่ตัวต้องกอารไปเที่ยวอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยเที่ยวทัศนาจรเที่ยวศึกษาจนเวลาตั้งสามปีจึงตาย ทั้งๆที่หมอบอกว่าสี่เดือนนะฮะแต่ก็อยู่ได้ถึงสามปีเราเคยพบคนคนหนึ่งเหมือนกันนี่หมอบอกหกเดือนนะฮะก็อยู่ได้ประมาณเนี้นะประมาณสามปีโดยใช้การเจริญสติเจริญกรรมฐานไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันตายด้วย จ, จิตใจปัญหาว่าจิตมันเป็นยังไงนะตายเราตายแน่แต่ว่าปัจจุบันขณะนี้เราเป็นยังไงไม่ต้องใส่ใจว่าจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนาตายยังไง ความขาดมันก็รถไปทีนี้ปัญหาสําคัญว่าอีกอย่างหนึ่งคือความลังเลความไม่มั่นใจสูญเสียความมั่นใจขอตัวเองเป็นอาการของโมหะคือหมายความว่าการศึกษาเรียนรู้เราไม่ยชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ลังเลอย่างนี้ดีไม่ดีอย่างนี้ควรไปไม่ควรไปควรกินไม่ควรกินควรทําไม่ควรทําก็เป็นคนที่สงสัยไปเรื่อย และสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองสูญเสียความเชื่อมั่นในหลักการสูญเสียความเชื่อมั่นในอุดมการณ์จนอดตลอดถึงวิธีการต่างๆมันลังเลหมดเลยแกรีเสียเลยสงสัยหมดเลยแล้วบางเรื่องไม่น่าสงสัยก็สงสัยตรงนี้เราจะเห็นว่าโดยเนื้อหาสาระนี่ไม่น้อยที่คนของเราดูหมิ่นชาติภูมิตัวเองไม่รู้ไม่ได้ไม่เป็นไม่เข้าใจไม่แน่ใจ แล้วก็หมดอะไรแต่ออยากคือท้อถอยแล้วก็ไปชื่นชมกับคนอื่นคนอื่นก็เป็นเทวดามาจากไหนคนอื่นมันก็สองมือสองเท้าหนึ่งหัวหนึ่งตัวเหมือนกันกับเราเนี่ยก็กินข้าวเหมือนกันก็ไม่มีอะไรมันต่างกันปัญหาสาคัญเนี่ยมันดู่ที่ว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองทีงนี้การเชื่อมั่นในตัวเองนั้นเราลองสังเกตว่า ในตอนต้นๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเดินไปกับพ่อแม่เราเชื่อมั่นในตัวเองจริงนะเราก็เกาะเราก็จับมือแม่หรือแม่จับมือเราก็ตามแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องอาศัยแทนแล้วค่อยๆปล่อยมือไปนะให้แน่ใจว่าเดินได้ต้องเชื่อว่าเราเดินได้ต้องเชื่อว่าเราทําได้ต้องเชื่อว่าเรายืนได้นะความเชื่อมั่นเหล่านี้เคยคุยกับคนพิการ เคยคุยคุยคนพิการเธอยก็ประสบความสาเร็จก็ลองนึกดูถึงว่าอะไรอ่ะเมื่อก่อนที่เป็นชาวสวีเดนที่มือแกขาดหมดทั้งสองมือไม่มีมือสองมือแล้วก็เท้าก็ไม่เสมอเท้าข้างหนึ่งใช้ไม่ได้แต่ว่าเท้าข้างเดียวนี่เธอทําได้สารพัดเลยเซ็นหนังสือก็ได้กินข้าวก็ได้อาบน้ำก็ได้ทําอะไรก็ได้ร้องเพลงเพราะเลยด้วยนั่นคือแกเชื่อมัน่น แกืไม่ถึงว่าจุดนั้นแหละมันมันจะทําไม่ได้นี่จะทําได้หรือเราก็ไม่มีมือแต่ว่าเทียบดูแล้วเนี่ยฮะได้สัตว์อื่นที่มันอยู่โดยไม่มีมือทำไมันอยู่ได้เลยไอ้งูเนี่ยมันมีมือที่ไหนอะเห็นไหมในที่สุดเนี่ยถ้าเราคิดเทียบเคียงกันไปแล้วเราจะเสริมความเชื่อมัน่นเสริมความเชื่อมั่นให้แก่เราความลังเลสงสัยเป็นปัญหามาก แม้แต่วงการพระศาสนาเราเองลองสังเกตว่าบางทีพระสงฆ์องค์เจ้าของเราเนี่ยเช่นทงพูดว่าอ้างอิสระเสรีภาพทางวิชาการแล้วไปวิาพากษ์วิจารณ์พระพุทธเจ้าเนี่ยจวแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าเธอเป็นเรื่องอะไรอะ่ะวิชาการเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่ไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่พิสูจน์อะไรได้เสมอไป แต่ว่าพระพุทธเจ้านีนเป็นองค์สัจจะเป็นสัจจะธรรมที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วมาเทียบกันได้อย่างไงมาเทียบกันได้อย่างไงว่าอันนี้คือเสรีภาพทางวิชาการนึกเกวิจารณอะไรแต่ละก็ได้ก็ออกไปนอกาศาสนาอย่าอยู่ในาศาสนาเพราะในาศาสนานี้เป็นเรื่องสัจจะธรรมไม่ใช่เรื่องเสรีภาพทางวิชาการหรือไม่เสรีภาพทางวิชาการมันเป็นเรื่องลงตัวแล้ว เป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นแหละทรงแสดงไว้ยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะหลักการตรงเนี้ถ้าเราจับหลักให้มันมั่นคงว่าอะไรคือความหนักแน่นมั่นคงโดยใช้เก็เรียกโยนิสูบานสิการเลื่อนความคิดเราเป็นระบบมีกฎมีเกณฑ์ในการคิดแล้วก็โยงโดยเหตุโดยผลผูดถึงใครผูดถึงอะไรผูดถึงอย่างไรผูดถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น จากการทำอย่างนั้นการพูดอย่างนั้นการคิดอย่างนั้นการตัดสินใจอย่างนั้นมันต้องมองมันได้ประโยชน์อะไรมันก็รวมมาทั้งหมดแหละพวกความกลัวก็ดีความลังเลสงสัยก็ดีแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาเพราะว่าความขาดเนี่ยทำให้เกิดอาการชงักแล้วทำให้คนหมดสง่าราศีความลังเลก็เหมือนกันนะฮะมันก็ชงัก สูญเสียความเชื่อมัน่นเงงเงงงและในที่สุดก็ทำอะไรไม่ประสบความสมเม็จคนเราต้องมีความเชื่อมัน่นต้องต่อสู้ต้องรู้จักแับพวกนี้วเสนามาน พ, พระโพลเอ้ยนี่เธอเสนามานนี่ว่าเวลาพระพุทธเจ้าเวลามารข้าเฝ้าเนี่ยมารเก็บปลอมแปลงไปสารพัดอะลูกเล่นเยอะเลยไปคุยอะไรหวานหวานไปรอบไปรอ เจ้ารับสั่งดูก่อนมารผู้มีบาปเรารู้จักเจ้านะ่ะมารก็อายเขินเลยก็นหนีไปเพรนพวกเหล่านี้ที่จริงมันเป็นกิเลสมารเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสนาม า, นนะมารนาะมารเสนาหรือเสนามารก็ตามก็แล้วแต่จดิตมันทําจิตเราให้เขวให้สับสนกลายเป็นผู้ฆ่าผู้ขัดขวางผู้ทําลายผู้ริดรอนผู้เบียดเบียน ไม่ได้มีคุณอุปการท่าไรแล้วก็เป็นปัญหาถาวลทั้งหมดในสังคมลองสังเกตว่าทุกข้อเนี่ยอยู่ปัญหาถาวลหมดเลยเราไม่ต้องพูดถึงพยามาลราโดนเสนามานก็สะบักสะบอมเราก็สู้ก็ายากยแต่ว่าต้องพยายามต่อสู้ในกรณีของความลังเลสงสัยไม่แน่ใจเนี่ยเราก็ตัดสินโดยลำพังไม่ได้อะว่าแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไง ตัวเนี่ยปุ๋เจ้าสงสดางไว้ยังไงก็คืออย่างนั้นมันพิสูจน์ตัวเองมาตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วทำไมเราจะต้องไปคิดใหม่ทําไมไปหาทฤษฎีใหม่ทําไมคิดวิธีการในการปฏิบัติว่าไอต้ตรงเนี้ยทีจริงมันเป็นทุกข์จริงมันเป็นสมุทัยจริงมันเป็นนิโรธจริงแต่ว่าทํำยังไงจะสัมผัสได้นั้นก็คือจะคิดก็ได้นะะแต่ว่าที่จริงถ้าเราไม่คิดเนี่ยเราเชื่อมั่น ผู้เจ้าก็สรงแสดงวิธีการไว้แล้วมันในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีทั้งอุดมการมีทั้งหลักการมีทั้งวิธีการมีทั้งปฏิบัติการแล้วก็มีทั้งตัวผลซึ่งเราอาจจะเรียกว่าประสิทธิการอะไรก็ได้นะมันมีอยู่หมดแล้วมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงแต่ว่ามันขาดการแสดงพลังอานาจแสดงความเชื่อมัน่น ที่จะฝ่าวาันอุปสรรคอันตรายต่างๆเหล่านี้เพื่อไปสู่เป้าหมายปลายทางให้ได้แต่นั่นเด็กมารเสนาที่เน้นเราจึงเห็นว่าเป็นการผู้ระดับกลางมาวาจารภูมิเพราวะการที่เด่นเนี่ยคืออาการของโลภะกาการของโมหะแต่อย่าลืมว่าแกพร้อมจะโทสะทั้งหมดนะพร้อมจะโทสะทั้งหมดทุกจุดเนี่ย แม้จะเป็นอาการของโลภะกับโมหะต่ว่โทสะก็พร้อมที่จะออกมาเมื่อมีการขัดขวางเมื่อมีการดิ้นรนตัดรอนเมื่อเจออุปสรรคอันตรายขึ้นมาเนี่ยก็พร้อมที่จะเกิดโทสะแล้วถ้าปัญญาไม่มีมากพอก็จะหลงทางนะกระโดดเข้าสู่กับดักที่เขาวางเอาไว้แล้วก็เป็นอันตรายต่อตนเอง อันตรายต่อบุคคลอื่นแล้วก็อันตรายในการท่องเที่ยวในสังสารวัตรของเราเลยต้องฟังตั้งหลายแต่หลมงปูพทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบุญในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังตั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี